ทำอะไรก็าตามเนี่ยถ้าหากว่ายัางไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่ประสงค์ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอย่างพยายามไม่พอหรือมิเช่นั้นก็เป็นเพราะว่าเราทำผิดเมื่อกับการเดินทางนะถ้าเราเดินผิดเส้นทางเนี่ยเดินยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการจนกว่าจะ รู้จับหยุดแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งสำหรับหลายคนมันก็เป็นเรื่องยากอาจจะเพราะว่าอุตสาห์ลงทุนลงแรงเดินไกลแล้วจะให้ถอยกลับมันก็เหมือนกับว่าที่ทบไปเนี่ยมันศูนย์เปล่าหรือไม่ฉช่นั้นเนี่ยก็ไม่ยอมรับ ว, ว่าตัวเองผิด อันนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับบางคนอาการยอมรับตัวเองผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางคนเนี่ยมาทำใจได้ยากเพราะว่าเชื่อมันในตัวเองหรือไม่อยากจะให้คนรู้ว่าเนี่ยฉันทำผิดเั็นมัจจาเป็นนะ เพถาหว่าไม่ยอมรับว่าตัเองผิดตัเองพลาดและคืนยังทําต่อไปมันก็ยิ่งเสียเวลาเสียแรงและสุดท้ายเนี่ยไอความผิดเนี่ยมันก็ยิ่งปรากฏชัดนะมากขึ้นไม่ยให้ตัวเองรู้ว่าไม่อากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองผิด แต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่จงทํามันก็ฟ้องนะว่าผิดแล้วไม่ยอมแก้พลาดแล้วก็ไม่ยอมถอยแต่บางอย่างนี่มันก็เป็นเพราะไม่รู้จริงๆนะแล้วก็คิดว่าเนี่ยที่ทาเนี่ยถูกแล้วแต่ว่ายังพยายามไม่พออย่างนักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ย ปฏิบัติไปสักภักทำด้วยความตั้งใจแต่กว่ามาถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกเครียดรู้สึกเกิดทุกขเวทนาขึ้นอาจจะอึดอัดอาจจะปวดหัวแทนที่จะเกิดความสงบกลับเกิด อาการว้าวุ่นในจิตใจหลายคนเนี่ยก็ยังทำต่อไปนะโดยที่ไม่รู้หรือไม่จมรับว่าตัวเองเนี่ยทำผิดแต่พอทำไปทำไป ย, ยิ่งทำยิ่งทำเนี่ยประกอาอาการก็รุนแรงมากขึ้น ปวดหัวแน่นหน้าอกมากขึ้นบางคนเนี่ยใช้ยกมือสร้างจังหวะเนี่ยยกแค่ครั้งเดียวหรือสองสามครั้งนี่ก็ปวดจี๊ดเนี่ในหัวเลยนอาตมาเคยเป็นนะก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ได้มีอาการหนักอย่างนั้นก็ยังทำต่อไปทำแบบเดิมๆนะไม่รู้ว่าตัวเองผิดคิดว่าตัวเองทำถูก แต่ว่ายังทำไม่พอยังเพียงไม่พอก็เลยเพียรหนักขึ้นพอกว่าคราวนี้เนี่ยพอยกมือเนี่ยสร้างจังหวะแค่ยกมือมันก็ปวดจี๊ดมาในหัวเลยเหมือนกับไปไปซ้ำรอยช้ำเนี่ยเวลามีรอยช้ำเนี่ยเราไปจับไปถูกไปกระแทกมันเนี่ยไปกดมันเนี่ยมันยิ่งเจ็บเข้าไปอีกถึงตอนนี้ก็เลยรู้ว่า ต้องหยุดละเพราะมันไปไม่ไหวจำไว้ยังไปต่อนะนา ก, การนี้ก็ไม่ได้มีแค่นั้นบางคนยกมือสร้างจังหวะยกลัค้างเลยนะค้างเป็นชั่วโมงช่วโมงหลวงพ่อคำเกียนเคยไลฟยฟังเนี่ยเจอโยงคนหนึ่งนี่ยกมือสร้างจังหวะแต่เช้ามืดตีสามได้มั้งจนได้เวลา ทำวัดได้เวลากินข้าวก็ยังไม่มาจนท่านก็ท่านต้องไปตามเนี่ยพอเรียกหุดทักเขานี่เขาก็เรียกหลวงพ่อว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นนะยกมือสร้างจังหวะแล้วมือมันค้างขยับไม่ได้นี่พราะอะพอเพระเพลงนะ อาการแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับหลายคนจริงๆเวลาเพ่งเนี่ยนะมันก็มันก็จะเกิดอาการนะทําไปนานๆก็จะเกิดอาการเครียดแน่นหน้าอกเกิดาการเกรง็งยิ่งถ้าไปเพ่งที่มือไปเพ่งที่ท้องไปเพ่งที่ลมหายใจตามแบบวิธีการปฏิบัติแบบอื่นเนี่ยทําไปมากๆนี่บางคนนี่ มือสั่นเลยนะมือสั่นจะทำอะไรที่ใช้มือนี่ใช้ไม่ได้เลยเป็นหมอเนี่ยต้องใช้มือในการผ่านะแม้จะผ่าตัดเล็กก็ผ่าไม่ได้เพราะมือมันสั่นจิตสั่นเพราะอะไรเพราะไปเพงเ่งนะไปเพ่งที่จิตไปเพ่งที่มือนั่นก็จะเกิดอาการเกรง็ง ก, การรวนขึ้นมาในทั้งใจและกายบางคนยังก็ยังทําต่อนะไม่ยอมรับว่าผิดหรือไม่รู้ว่าผิดก็ทำไปเรื่อยๆม่าก็ว่าหนักขึ้นสุดท้ายก็ต้องเลิกปฏิบัติมีแต่ต้องเลิกอย่างเดียวเลยเพราะคืนทําต่อนี่ก็เมืนก็เดินผิดเส้นทางนี้มันก็จะมีแต่ออกห่างจากเป้าหมายจุดหมายปลายทาง หรือบาทีเข้าร้งเข้าพงเลยแต่บางคนก็ไม่ยอมนะปฏิบัติเนี่ยเป็นนักปฏิบัติทั้งทีจะเลิกปฏิบัติได้ยังไงก็พยายามแต่ว่าพยายามยังไงเนี่ยไอ้นิสัยความเคยชินเดิมๆ ม, มันก็ยังอยู่จิต ท, ที่เพ่งเนี่ยพอทำไปนานๆนี่มันมันแงออกยากนะ ต้องใช้คาว่าแง่เลยนะต้องแง่จิตออกจากอารมณ์ที่เพ่งไม่ว่าจะเป็นมือไม่ว่าจะเป็นลมหายใจไม่ว่าจะเป็นท้องอันจี้ตั้งท่าปฏิบัติอยู่ท่าเดียวและตั้งท่าแบบเพ่งดยวยปฏิบัติเมื่อไรก็เพ่งเมื่อ น, นั้นจึงต้องเลิกแต่บางคนก็ไม่ยอมเลิก อาจจะเป็นเพราะมีความสําคัญว่าเหมือว่าฉันเป็นนักปฏิบัติมีภาพนักปฏิบัตินะจะไม่ปฏิบัติได้อย่างไรโดยหารู้ไม่ว่า ก, การที่ยอมรับความผิดพลาดแล้วก็พยายามกลับมาเริ่มต้นใหม่นี่ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นการสวนทางกับอัตตาอัตตานี่มันไม่ยอมรับว่าฉันผิดนะยังยืนกรานว่าฉันถูก แล้วก็เดินหน้าต่อไปจะยิ่งเดินยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกตานี้บางทีมันก็เป็นอุปสรรคมากนะไม่ใช่บางทีบ่อยครั้งเลยเนีย่ยเพาะความสำคัญแม่หมาว่าฉันเป็นนักปฏิบัติฉันเป็นนักปฏิบัติผิดพลาดไม่ได้หรือไม่ยอมรับผิดหรือไม่ยอมเลิกปฏิบัติ ท, ทั้งที่ที่ปฏิบัติเนี่ยมันผิดทั้งนั้น ลหลายคนเนี่ยแม้จะไม่ได้ปฏิบัติแม้จะไม่ได้อยู่ในระหว่างการปฏิบัตินะการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีมีความโกรธมีความเศร้ามีความหดทูกเนี่ยหลายคนก็ไม่ยอมรับนะว่าตัวเองมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าติดภาพว่าตัวเป็นนักปฏิบัติฉันเป็นนักปฏิบัติฉันปฏิบัติมานานฉันจะโกรธได้ยังไง ไม่อยอมรับความโกรธฉันจะเศร้าได้ยังไงนะเวลาคนรักนะล้มหายตายจากไปหรือไม่บางทีน้องหมาน้องแมวเกิดตายไปฉันจะเศร้าได้ยังไงฉันเป็นนักปฏิบัติฉันก็ต้องรู้จักความสูญเสียว่าเป็นธรรมดาจะเศร้าได้ยังไงหรือบางทีหดหู่จะเศร้าได้ยังไงไอ้เจ้าหดหู่ได้ยังไง คนที่เป็นนักปฏิบัตินะจะยอมรับอารมณ์นี้ได้ยากกว่าคนทั่วไปนะคนทั่วไปก็ก็ยอมรับได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีภาพว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติหรือไม่ได้คาดหวังตัวเองว่าจะต้องไม่มีความรู้สึกแบบนี้นเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วเกิดความสําคัญมั่นหมายนะว่าฉันเป็นนักปฏิบัติอันนี้เรียกว่าเกิดภพเกิดชาติขึ้นมานะ แล้วก็ไปยึดในภาพใ น, ในยึดในภพชาตินั้นหรือว่าเกิดความสําคัญไมาไหวเนี่ยหรือติดภาพความเป็นนักปฏิบัติไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับทําไงก็หลอกตัวเองว่าฉันไม่มีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็พยายามกดข่มเอาไว้กดข่มความรู้สึกเนี้ยเอาไว้นอกจากไม่ยอมรับว่าฉัน มีความโกรธมีความเศร้ามีความหดหู่แล้วยังกดเอาไว้หรือถ้าเกิดแสดงออกมาคนเห็นก็กบเกอนก็แก้ตัวว่าฉันฉันแสร้งทำนะเรียกว่าแก้ตัวอาจจะเพื่อรักษาภาพของตัวเองแต่ทำไปทำไปมันก็กลายเป็นหลอกตัวเองนะ ว่าฉันไม่มีความรู้สึกแบบนี้ฉันเป็นนักปฏิบัติจะรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงบางคนพ่อแม่เสียชีวิตญาติผู้ใหญ่ตายไปก็ยังทําหน้ายิ้มระรื่นนะไม่สามารถจะแสดงความโศกความเศร้าได้ทั้งที่ข้างในเนี่ยมันมีเมื่อฉันเป็นนักปฏิบัตินจะยอมรับความจะยอมรับความเศร้าโศกเสียใจได้ยังไงร้องไห้ไม่ได้เศร้าไม่ได้ บางคนกดข่มเอาไว้ไม่ว่ากดข่มความโกรธความเอร้าความปวดทูวเนี่ยพอกดไป น, น, นานๆนี้มันระเบิดนะมันระเบิดออกมาครั้งนี้ยิ่งแยเ่เข้บไปใหนักปฏิบาตบางคนนี่นะก็แสดงอาการว่าฉันเป็นคนที่ปกติจจาสยร่าเริงไม่โกรธมีเหมือนกัน แล้มีบ่อยแต่ไม่ยอมรับก็ไปกดเอาไว้พอในกุดหึ ง, ห ง, หงมันระเบิดออกมาตอนนี้แย่เลยนะไอความโกรอดที่มันสะสมความเศร้าที่มันอัดแน่นนี่พอมันระเบิดออกมานี่ขูมไม่อยู่ก็แย่นะมองคนไม่ได้เป็นนักปฏิบัตินะแต่ว่ามีภาพว่าเนี่ยฉันเป็นคนเ e อร์เฟกฉันเป็นคนสมบูรณ์แบบนะพอะนะเนี่ยฉันจะหดหูไม่ได้ฉันจะท้อแท้ไม่ได้ ก็มีหลายคนเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้นำมีภาพของการเป็นคนที่เก่งและสามารถที่จะทำหลายสึ่งหลายอย่างที่คนทำได้ยากเรืยกเพียรพร้อมทั้งในเรื่องของนิสัยใจคอและการทำงาน ก็รู้สึกว่าเนี่ยฉันเป็นคนเพอร์เฟกพอติดภาพความเป็นคนเพอร์เฟกเนี่ยมันจะหดหูไม่ได้มันจะท้อแท้ไม่ได้ถ้าเกิดหดหูเมื่อไหร่ท้อแท้เมื่อไหร่ก็ไม่ยอมรับและอาจจะคิดว่าเนี่ยฉันยังยังทำไม่มากพอฉันยังเอาชนะตัวเองไม่มากพอยังสู้ไม่พอ ปัญหานี้เกิดขึ้นคนที่ยิ้มย้มแจ่มใสอารมณ์ขันมีอารมณ์ดีนะไปที่ไหนก็สามารถจะหยอกล้อคนยิ้มย้มแจ่มใสมีเรื่องตลกโปกฮาเล่าให้คนที่เขาท้อแท้เขามีกำลังใจคนที่เศร้านี่เขาหายเศร้าเพราะว่าความ การที่ตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ขันมีความสดชื่นแจ่มใสแต่พอตัวเองเนี่ยเกิดความเศร้าหมองเกิดความหดหู่ขึ้นมาไม่ยอมรับนะว่าฉันจะมีความรู้สึกแบบนี้ได้อย่างไรหรือถึงจะมีก็ไม่แสดงออกนะไม่แสดงออกเพราะว่ากลัวเสียภาพนะ ความเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสมีชีวิตชีวาไอ้สิ่งนี้มันก็ทำให้กัดกร่อนจิตใจนะเพราะว่ามีอารมณ์ความรู้สึกแล้วเนี่ยไม่แสดงออกหรือไม่ยอมรับก็พยายามที่จะต่อสู้กับตัวเองนะบางทีก็ยอมรับนะแต่คิดว่าเนี่ยยัง ฉันยังไม่สามารถจะมองบวกให้มากพอฉันต้องมองบวกให้มากกว่านีนะ้ปลูกไฟปลูกกำลังใจให้เกิดขึ้นหอเหี่ยวยังไงก็คิดว่าเนี่ยฉันยังสู้ไม่มากพอยังพยายามไม่มากพอ ท, ทั้งทั้งที่อาจจะเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตของตัวเองหรือว่าสิ่งแวดล้อม นะมันมีเต็มปัญหารุมเร้าถ้ายอมรับว่าเออเรานะไม่ใช่สู้ไม่พอพยายามไม่พอแต่เป็นเพราะว่าเราวางใจไม่ถูกหรือเป็นเพราะว่าเรายังเราทำงานมากไปนะเราเอาปัญหาต่างๆมานะสมในจิตใจมากเกินไป ในกรณีนี้ถ้าเกิดว่ารู้จักหยุดสมองนะไอะที่ทํางานต่างๆเพื่อปลุกคนให้มีกําลังใจเราลองหยุดสมองนะแต่ที่จะเอาแต่ช่วยคนอื่นอย่างเดียวหรือเอาแต่ทํางานทํางานรู้จักหยุดแล้วก็หันมาเยียวยาจิตใจตัวเองหรือว่าพาตัวเองออกไปจากปัญหาต่างๆที่รุมเร้ามันก็อาจจะช่วย ทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่บางคนไม่ยอมนะสุดท้ายเนี่ยอาการหนักขึ้นจนกระทั่งเรียกว่าบางทีเส้นเลือดในสมองแตกหรือบางคนก็ถึงกับทำร้ายตัวเองนะเพราะว่าอาการหดหู่ซึมเศร้าที่มันเกิดขึ้นมาสะสมมากๆเข้า ถ้าเพียงแต่ตัวเองยอมรับนะเออฉันมีความรู้สึกแบบนี้ฉันต้องการการเยียวยารักษามันไม่ใช่ว่าฉันสู้ไม่พอสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันผิดทางต้อรู้จักจุดแล้วก็ถอยลงถอยสักหน่อยหรือว่าหันไปพึ่งพาคนอื่นเช่น บางคนในการซึมเศร้าอย่างหนักเนี่ยก็ทำยังไงทงาไงก็ยังไม่หายซึมเศร้าแต่ก็ยังทำหน้าก็ยังทายังทางานกระตุ้นให้กำลังใจคนให้มีความหวังพูดเอาเรื่องตลกขบขันมาให้คนเนี่ยหายเศร้าหายหายเสงแต่ตัวนี้กลับแย่ลงไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดว่ายอมรับว่าเออเราแย่นะแล้วเราควรจะหยุดแล้วก็ไปหาคนที่จะช่วยเหลือเราได้เช่นอาจจะต้องไปหาหมอแต่หลายคนไม่ยอมเนะก็ยังก็ยังสู้ต่อไปซึ่งมันกลายเป็นการดันทุรังสุดท้ายเนี่ยก็สติแตกเนะ สถิแตแในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นว่าระเบิดออกมาอย่างเดียวนะบางทีทำร้ายตัวเองเพราะว่าความซูมซ่อนมันครองงามจิตจนสู้ไม่ไหวอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายคนหลายคนที่มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะมีอารมณ์ขัน พูดให้กำลังใจคนแต่วันดีขึ้นดีกับโดดตึกลงมาค่าตัวตายเพราะว่ามีอการซึมเศร้าจริงถ้าว่าเยียวยารักษาได้ทันนะก็คงจะไม่ลงเอยแบบนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะข้อไม่ยอมรับนะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปให้หมอเนี่ย ช่วยเยียวยาแล้วยังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังสามารถจัดการกับเอาลงความรู้สึก ข, ของตัวเองได้ขอเพียงแต่สู้ให้หนักขึ้นพยายามให้มากขึ้นบางครั้งมันก็เป็นการยากนะคนเราเนี่ยที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดหรือเมื่อไหร่เนี่ยควรจะสู้ต่อไปนี่มันยากหลายคนเนี่ย ไม่ไม่ยอมหยุดนะเพราะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าตัวเองนีมีข้อจำกัดยังคิดว่าเนี่ยเรายังสู้ไม่พอเรายังพยายามไม่พอแต่ถ้าเกิดว่ายอมรับนะเออเราไม่ไหวแล้วนะต้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคน ก็อย่างว่านะคนเราเนี่ยถ้าว่าติดภาพว่าฉันเป็นคนเพอร์เฟฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือฉันเป็นคนที่ยิ้มแย้มแมจ่มใสเสมอเนี่ยจะไปให้คนรู้ว่าเนี่ยฉันเป็นฉันมีโรคซึมเศร้าฉันมีอาการแบบนี้เนี่ยมันก็ทาใจได้ยากอาการที่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็ดีการที่มีภาพของคนที่เพอร์เฟกหรือว่าดารบการยกย่อง ว่าเป็นคนเก่งคนมีความสามารถบางทีมันก็เป็นอุปสรรคนะอย่างบางคนเนี่ยเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาคนธรรมดาเนี่ยเมื่อป่วยก็จะไม่ป่วยแต่กายแต่ป่วยใจด้วยเพราะว่าไม่สามารถจะยอมรับความทุกข์ทางกายได้ เวลาป่วยมันต้องมีทุกทางกายอยู่แล้วแต่พอไม่ยอมรับทุกทางกายเนี่ยมันจะเกิดเกิดทุกทางใจอันนี้เปรี่ยนมันกับว่าโดนธนูสองดอกธนูดอกแรกคือทุกขเวทนาทางกายธนดอกที่2คือทุกขเวทนาทางใจซึ่งเกิดจากการที่ไม่ยอมรับเวทนาทางกายนี่าการผักใสทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้น คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโดนธนูสองดอกแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยโดนไปสามดอกเลยนะคือพอจิตใจเนี่ยมันเกิดความหงุดหงิดเกิดโทสะขึ้นมาเกิดความห่อเหี่ยวขึ้นมายอมรับไม่ได้ว่าทําไมฉันมีความรู้สึกแบบนี้ฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมและฉันก็อุตส่าห์ไปปฏิบัติธรรมมา ก่อนหน้านี้เป็นเวลาหลายปีก็เพื่อที่จะมารับมือนะกับเวลาเจ็บป่วยเจ็บป่วยยังไงเนี่ยมันจะปวดมันจะทุกข์ยังไงแต่ใจก็สงบได้แต่พอใจไม่สงบใจมันหดหูหอเหี่ยวใจมันหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยยอมรับไม่ได้นะพอข้าวตือเนี่ยต้องไม่มีความสึกแบบนี้คนธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้มีความคาดหวังนะว่าเมื่อมีความ เมื่อมีความทุกข์ทางใจแล้วมันจะหายไปเพราะการปฏิบัติแต่นักปฏิบัติจานวนมากจะมีความคาดหวังนะว่าเนี่ยจะต้องไม่มีความรู้สึกนะหงุดหงิดงุนง่านหรือว่ามีความทุกข์ทางใจแต่ขั้นพอมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นยอมรับไม่ได้รู้สึกผิดหวังในตัวเองผิดหวังในการปฏิบัติ ทำไมการเข้าสัปปะิบัติทั้งทีทำไมจึงไม่ไม่มีจิตมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยคนทั่วไปไม่มีแต่ว่านักปฏิบัตินี่มีจำนวนหลายคนที่มียอมรับไม่ได้ที่ตัวเองเนี่ยมีอาการแบบนี้ก็เป็นทุกข์นะทุกข์ทางจิตเนี่ยเรียกว่าทุกซ้อนทุกเลยนี่เราเจอธนูดอกที่สาม คือความทุกข์ใจที่ยังมีความหงุดหงิดยังมีความายังมีโทสะอยู่ในเมื่ อ, อยามที่เจ็บปวดหรือยังมีความว้าวุ่นในจิตใจมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกผิดหวังยอมรับไม่ได้ในความรู้สึกแบบนี้นอกจากยอมรับความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้ยังผิดหวังที่ตัวเองผิดหวังการปฏิบัติไมกรรปฏิบัติไม่ช่วยฉันเลย นะไม่ว่าจะปฏิบัติแนวไหนทําไมไม่ช่วยทําให้ฉันเนี่ยหายทุกข์ใจได้บางทีผิดหวังในตัวเองอี่นะว่าทําไมฉันถึงทําอย่างนี้ไม่ได้ถึงไมฉันยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นี่ว่าเจอธูดอกที่สามดอกที่สี่ดอกที่หนะ้าคนธรรมดาเนี่ยเจอแค่สองดอกเนะีะแต่ว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนเนี่ยเจอไปสามสี่ห้าดอก เพราะไปคาดหวังว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมของฉันจะช่วยให้ฉันไม่มีความรู้สึกแบบนี้แต่ทำไมมันจึงเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นพาะไม่ยอมรับแต่ถ้าเกิดว่ายอมรับข้อจากัดงตัวเอง ย, ยอมรับว่าเออเราก็เป็นปุถุชนนะมันก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปเมื่อมีทุกขเวทนาทางกายแล้วก็ต้องเกิดความทุกข์ทางใจถ้ายอมรับทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นได้เนี่ย มันกม็มีทุกซ้อนทุกไม่เจอธนูดอกที่สามนะก็เจอธนูแค่ดอกสองดอกนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยจึงมีความทุกข์มากคนทั่วไปเวลาเจ็บป่วยโดยเฉพาะเมื่อสู่ระยะท้ายแล้วก็ยิ่งบางคนปฏิเสธการใช้ยานะใช้ยาระงับปวดจารเป็นนี้ปฏิบัติธรรมจะใช้มอร์ฟีนได้อย่างไรนะมันมันก็ว่าเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรี จากขนาเดียวกันตัวเองก็ยอมรับความเจ็บปวดไม่ได้แล้วก็จิตใจก็มีความหงุดหงิดเกิดโทสะแรงกล้าและถามยังไม่ยอมรับไออาการทางจิตแบบนี้เพราะเป็นนักปฏิบัติธรรมไงจะเป็นจะมีความรู้สแบบนี้ได้ไงพอไม่ยอมรับมันยิงทุกข์เข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดว่ายอมเริ่มยอมรับนะเออว่ายอมรับข่อนจากลางตัวเอง อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเดินก็เจอแค่ธนุสองดอกหรื อ, อยิ่งถ้าเกิดว่าฝึกสามารถที่ยอมรับความเจ็บปวดได้ไอ้ความทุกข์ใจก็จะน้อยลงแต่ว่าถ้าว่ายอมรับความเจ็บปวดไม่ได้เนี่ยมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ยอมรับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความสุขแบบนี้ได้ถ้ายอมรับ มันก็ความทุกข์ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้จักหยุดเพราะหรือรู้จักยอมรับนะความผิดพลาดของตัวเองยอมรับอ่าสิ่งที่ไม่ประสงค์ที่มันเกิดขึ้นกับใจของตัวเองหรือกับเชิอองตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวอนะอย่าให้ความรู้สึกว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมฉันเป็นคนที่เพอร์เฟกฉันเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มันมาเป็นตัวที่ทําให้เราไม่ยอมรับนะความผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่ไม่ประสงค์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้สิ่งแย่ๆถ้าเรายอมรับได้ี่มันก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะและบางครั้งเราจะต้องรู้จักหยุดนะรู้จักถอยเพื่อที่เราจะได้ก้าวเดินต่อไปไม่ใช่เดินหน้าแล้วก็ดันทุรังไปสุดท้ายก็ตกเหวตกหน้าผา ซึ่งเป็นชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยเลยโดยเาะคนที่เก่งคนที่มีความสามารถคนที่เป็นที่ยกย่องนะเป็นเป็นไอดอลหรือเป็นไอคอนของคนอันนี้คือกับดักที่ต้องระวัง